เลิกทำบุญแล้วถึงกับตกอับทีเดียวเหรอถามเห็นคนเคยมีโอกาสทำบุญมากๆรอชีวิตรุ่งเรืองแต่พอไปอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยมีโอกาสทำบุญเขาก็ดูตกอับลงทันทีอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดไม่ได้ทาบุญเมื่อนั้นจะตกอับทันทีใช่ไหมตอบ หลักกรรมวิบากที่ต้องจดจำไว้แม่นๆ่นคือทำบุญแล้วจะเป็นสุขใจและมีความรุ่งเรืองในชีวิตเป็นผลลัพธ์ส่วนถ้าทำบาปใจอาจปราบปลื้มชั่วคราวแต่จะมีความตกอับในชีวิตเป็นผลตามหลังมาความสมเหตุสมผลกันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอย่างอื่น สำหรับคนที่คุณเห็นว่าเขาไม่ทำบุญแล้วตกอับแตกต่างจากเมื่อครั้งมีโอกาสทำบุญอาจชวนให้ไพร่นึกไปว่าเหตุคือเคยทำบุญแล้วเว้นวักไปส่งให้ผลคือมีชีวิตที่ตกอับมีความลำบากในการงานมีความเป็นทุกข์กับสิ่งแวดล้อมขอให้มองอย่างนี้แทนนะครับ ความจริงคือทุกคนต้องชุ่มอยู่ด้วยบาปเพราะหลงไม่รู้ก่อเวรกันมาคนละมากต่อมากฉะนั้นวิบากมืดอาจจ้องรอโอกาสทำร้ายพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่หากมีโอกาสทำบุญหนักๆบุญใหม่ก็อาจช่วยช้อนไว้หรือลดแรงกระแทกจากบาปเก่าไว้ทำให้เหมือนสุขสบายดีหรือสวยบุญโดยไม่มีอุปสรรคหน้าราคาญใจใดๆ คนที่คุณกล่าวถึงนั้นเพื่อนชีวิตเดิมอาจไม่ดีนักเพราะบาปเก่าแต่ห้นหลังจ้องเล่นงานอยู่แต่เมื่อมีบุญใหม่ช่วยอุ้มไว้ก็เลยดูดีมีสุขทว่าพอหมดตัวช่วยวิบากดำก็เลยเล่นงานได้โดยไม่ต้องเกรงใจบุญใหม่อีกต่อไปอีกประการหนึ่ง หากคุณมีโอกาสแนะนำเขาได้ก็ควรบอกกล่าวให้เข้าใจว่าบุญนั้นไม่ใช่แค่การทำสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์แท้จริงยังมีบุญที่ใหญ่กว่าเช่นตั้งใจเว้นขาดหมายถึงไม่ทำเลยตลอดชีวิตที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่จะลักทรัพย์ที่จะประพฤติผิดในการมที่จะ โ, โป้ปดมดเทจและที่จะเสพสุรายาเมา แค่ความตั้งใจเว้นขาดที่สามารถพิสูจน์ตัวว่าทำได้จริงทำได้ต่อเนื่องแม้ไร้โอกาสเข้าวัดแม้ไม่มีขอทานให้บริจาคเงินเลยสักคนก็ได้ชื่อว่าทำชีวิตให้เป็นโอกาสแห่งบุญใหญ่แล้ววิบากมือซั์เข้ามาแรงเพียงใดก็อาศัยประการคือศีลธรรมที่บริสุทธิ์เป็นตัวต้านเป็นแรงเสียดทานหรืออย่างน้อยเป็นตัวเจือจาง พนหนักให้เป็นเบาลงได้มากอย่างแน่นอนพอเข้าใจถูกต้องซะอย่างนี้ก็จะได้สบายใจด้วยครับหลายคนกลัดกลุ่มที่บ้านอยู่ห่างวัดขาดโอกาสทำบุญกับพระจริงๆแล้วอยู่บ้านก็ทำบุญได้ตลอดเวลาเลยพอมีโอกาสค่อยเดินทางไกลไปพบพระดีที่จะช่วยเป็นแรงเสริมให้เกิดศรัทธาประสาทะในการทำบุญอย่างแรง เป็นครั้งคราวก็ใช้ได้ไม่ถือว่าเสียเปรียบใครเท่าไรหรอกหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมไว้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไปทำบุญที่วัดคุณดังตรินเคยเขียนไว้ที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับว่าการทำบุญที่ง่ายและได้อนิสงมหาศาลโดยไม่ต้องไปไหนเลยก็คือการเจริญสติ มีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้เท้ากระทบพื้นลองศึกษาได้จากหนังสือเจดเดือนบรรลุธรรมเจวิธีตายอย่างสบายใจหรือมหาสติประธานสูตรหรือรู้เฉพาะตนซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ j o โ h ดด์เเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนชอบฟังเสียงอ่านก็ดาวนโหลดที่ j o โ h ด n e t ได้นะครับส่วนสำหรับคนที่ชอบอ่าน ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านหนังสือของคุณดังตรินได้เกือบทุกเล่มที่เว็บไซต์ดังตริน .com นะครับ